ข่าวหน้ากลุ่มโดยดั่งตรินตอนที่ 27 โอ้มจะเป่าคถามหารวยดลหัวใจ <c oughs> เทคไลน์เป็นการหลอกลวงคือพอโอนเงิน 20,000 บาทแล้วโดนเฉยเฉยไม่ได้ของแถมหลังจากเกิดเรื่องไม่มีการสืบหาเว็บไสยศาสตร์ สังคมภาวนาอินเทอร์เน็ตคืออินเทอร์เน็ตครับเหมือนกับตึกแถวคือตึกจะค้าขายอะไรก็ขึ้นอยู่กับคนคิดหรือเห็นลู่ทางกันว่าจะเอาเทคโนโลยีสูงส่งไปใช้ในทางต่ําและเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรการเรื่องศีลธรรมหรือความ <Internet S 2> ก็ย่อมมีพ่อๆกรณีนี้ถามว่าน้ํามันพรายๆเลยก็คือกลุ่ม กลุ่มคนเหล่าเนี้ยจะพิจารณาตัวเองว่าเป็นพวกที่ คนถูกหลอกก็ถือว่าน่าเห็นใจมากนะๆส่งเงินถึง 20,000 บาทไปให้ใครก็ 18 มงกุฎหลอก ว่าจะอกไม้ไส้ขม 3 วัน 7 วันซึ่งแน่นอนย่อม น้ำมันปรายสูตรของตนเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำเพราะใช้ได้มืดไม่มี จะอ้างว่านําไปใช้ด้วยเจตนาใครถ้าไม่ใช่เพื่อสนองความนี้ต้องนับเป็นมหาอกุศลจิต ต้องเบี่ยงเบนมาในทางที่ไม่ กรณีข่าวน่ากลุ้มชิ้นนี้จะว่าไปโดน หรือคณะกรรมการอาหารและยาไม่อาจเอาผิดกับ ไปเสาร์เศร้าหัวล้ม หน้ากลุ่มโดยดั่งตริน 28 ฮะเครื่องป้องกันตัวของ อุปกรณ์ป้องกันตัวสําหรับสุจริตชนสมัยนี้ก็คืออาวุธสําหรับทรชนนั่นเองและนับวันยิ่ง และอีกความจริงหนึ่งก็คืออีกความจริงหนึ่งก็คืออาวุธสําหรับการก่ออาชญากรรม เพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ทราบจะๆกับค่าจ้างทํา ทำเสน่ห์ใส่ใครต้องรับผิดชอบคนนั้น ทว่าถือเป็นคนสนิททีเดียวเนื่องจากฝ่ายหญิงยอมรับว่านอกจากอีก เมื่อหัวหน้าสาวอึดอัดหนักเข้าประกอบกับแฟนของตนที่คบหาดูใจกันมาเกือบสิบปีขอแต่งงานจึงค่อยตัดสินใจเปิดเผยบอกเลิกกับลูกน้องหนุ่มอึดเมื่อมาคุยกันที่ห้องไม่รู้เรื่องจึงใช้อาวุธดังกล่าวเข้าประกอบกับ ดังเดิมบุคคลที่เป็นข่าวจึงไม่น่าจะเป็นคนเลวร้ายอะไรแต่ก็สามารถคิดร้ายได้เสมอบุคคลที่เป็นข่าวจึงไม่ ก็ในเมื่อเครื่องมือรุกรานยังใช้วิธีลึกลับแบบไสยศาสตร์ได้แล้วทําไมเราจะใช้เครื่องป้องกันในเชิงลึกลับ ที่ตั้งมั่นตลอดชีวิตจะนําคุณเดินไปบนเส้นทางแห่งความ ความใกล้ชิดบังคับให้เผลอคือรู้จักกันอย่างเพื่อนสนิทที่ไม่มีสิทธิ์ บทความโดยดังตรินโดยดั่งจากนิตยสารธรรมะ 47 เสียงอ่านโดยอ่านโจโฉ